ท่านฝั่งที่ครอค่ะราการสันสนาสนทนาเรามาพบกับท่านอย่างต่อนเนื่องนี่ก็เข้ากลางสัปดาห์มานะคะพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนไฮโซจังหวั ด, ดอุดรธานีขณะนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่จัดว่าว่างจากคอสล็กเดนจะดี๋ยวไปกราบเรียนถามท่านนะคะว่าช่วงนี้ที่วัดนั้นหรือว่าที่สําหรับตัวท่านเองนั้นทําอะไรเป็นส่วนใหญ่นะคะกลับมาพิธการกับท่า น, นะคะเชิญพานค่ะช่วงนี้ก็ วันที่สองถึงวันที่สิมิถุนายนก็จะมีการหล็กเร่นอีกแล้วโอ้โหเลยคะ่ะมีเดือนละครั้งคี่ว่าป่าดอนโซ ม, มีเดือนละครั้งก็เปิดโอกาสให้คนบ่อยไว้อย่างนั้นเถอะนะคะอืมเออเราก็สําหรับเดือนมิถุนานก็สองถึงสิบเดือนกรกฎาจะเป็นยี่บอ็ดถึงยี่ิบเก้าค่ะอ่าเราก็ก็จะมีกิจกรรมการหล็กเร่นใน ห, หลายที่เป็นหลักที่วัดในช่วงเข้าวพันษาวิสาขบูชาก็จะมีการหล็กเร่นอยู่แล้วนะ ถ้ามาถึงปุ๊บเราก็จะจับปฏิบัติบูชาเลยไม่ต้องพูดะอะไรกันมากนะนั่งสมาธิเลยค่ะก็คงรจะต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าวันที่สี่แล้ววันนี้สาขะนะคะใช่ตัวทีฉันเองก็มีโปรแกรมไปถ่ายทำรายการให้กับวัดท่าตะโกนครสวรรค์นคะคะเป็นวัดของสมเด็จพระพี่นางที่ส่งรับ สร้างแล้วก็ถวายเป็นพระเจ้กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดีที่นั่นเนี่ยก็เป็นพระอาจารย์ที่เคารพนับถือมานานท่านได้สร้างเจดีย์พุทธคยะไว้แล้วทางรายการชีวิตมีสิ้นหวังของโยมเล็กเนี่ยนะคะก็เล็งเห็นว่าอย่างน้อยก็เป็นอนุสติสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสตีตั๋วไปอินเดียค่ะได้ไปเห็นว่าหน้าตาสังเวชนียสถานเป็นเช่นไรกับคนที่ ไม่มีโอกาสไปไหนมาไหนเลยก็ให้ชมรายการโทรทัศน์แล้วก็จะไปปฏิบัติกิจปฏิบัติธรรมกันที่นั่นดีดีดีนะค ะ, ะท่านคะทีนี้มาถึงเรื่องที่จะรบกวนท่านใกล้วันพุทธชยันตีนวันตรงนะคะคือวันตรัสรู้ที่เขาว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ครบสองพันหร้อยปีเข้ามาทุกทีแล้วในการเราทําล่วงหน้ามานานแล้วก็คือทําให้ท่านทั้งหลายรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้น ตอนนี้ก็กลับ ม, มนทุสการท่านก่อนที่จะไปถามคาถามต่อไปให้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังเลยค่ะเออพระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลสรรพสัตว์อย่างไม่เห็นแก่หน้าใครคนัคือเอ็นดูเกื้อกูลทุกคนนัคือมีคนมามาโจทย์พระพรุทธเจ้าบอกว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเอ็นดูเกื้อกูลกับสัตว์บางประเภทเหรอหรือว่ายังไงทําไมอย่างนี้อย่างนี้น ะ, ะ, ะพระพุทธเจ้าบอกพระองค์เนี่ยเป็นผู้เอ็นดู แก่ัตว์ทั้งปวงนะไม่ใช่ว่าแสดงธรรมเนี่ยเพื่อเอื้อเฟื้อแก่ใครสักคนใดคนหนึ่งนะซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้เปรียบเทียบเหมือนกับนาสามแปลงใช่ไหมแปลงหนึ่งชั้นเลวชั้นกลางแล้วก็ชั้นเลิศนะนาปูนกลางนาชั้นเลอนาชั้นเลวก่อนนาปูนกลางแล้วก็นาชั้นเลิศนะซึ่งนาชั้นเลวเนี่ยก็คือเหมือนกับพวกปริพชกษนะ์ะที่มามาฟังธรรมะ นะพระองค์ก็จะแสดงธรรมเหมือนกับนาชั้นกลางนั่นเองนาชั้นกลางก็เป็นผู้อุบาสกอุบาสิกานะที่มาแสดงธรรมก็แสดงธรรมอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนาชั้นเอกนะที่เป็นเหมือนกับภิกษุภิกษุณีที่บวชมาแล้วเนี่ยก็แสดงธรรมอย่างไพเราะในเบื้องต้นทรรกลางที่สุดทีนี้ที่พูดถึงประเด็นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ให้ชัดเจนตรงนี้มันมีประเด็นเพิ่มเติ ม, ตมนะคุณโยมติว๋วที่ว่าคําว่าแสดงธรรมให้ งดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดเนี่ยแล้วเอาสามไม่ว่าสามจำพวกนาชั้น เ, เลิศชั้นปูนกลางชั้นเลวเนี่ยก็แสดงทําให้พเราะเบื้องต้นทำกลางที่สุดแตนะถ้าชาวนาเนี่ยนะชาวนาเนี่ยนะเขาก็ทํานาหมดนะสามสามอย่างนะคือ <Okay. S 1> ในสามเนื้อที่เนี่ยนาชั้นปูชั้นเลิศชั้นปานกลางแล้วก็ชั้นเลวเนี่ยเขาก็จะทํานาบนสามเนื้อที่นั้นหมดทั้งหมดเหมือนกันนะ <Okay. S 1> แต่ถ้าธรรมาก็เลยไปสงสัยว่าเอาทําไมพระเจ้าพูดอย่างนี้แต่พระผู้เจ้าบอกว่า เออพระองค์เองเนี่ยก็แสดงธรรมนะไพเราะเบื้องต้นทําการที่สุดกับทั้งบุคคล3ประเภทเอา้าแล้วมันจะแตกต่างกันตรงไหนค่ะนะก็พอกรก็ไปไปถามชาวนานะช่วงช่วงเนี้ยชาวนาเขาก็จะเริ่มหว่านกล้าละแล้วก็จะเริ่มดำนาล ะ, ะนะเพราะว่าฝนมันเริ่มมาแล้วก็ไปถามชาวนาคนหนึ่งนะที่บ้านหนองเต่ดาดอกไหนาสงเนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาจะต้องทํานาในนาชั้นเลิศก่อนนานาดีก่อนเพราะว่าเออมันจะทําให้ ผลผลิตออกมาเนี่ยดีก่อนนะคือทําก่อนนะชั้นกลางทำไหม ท, ท, ทําทําทีหลังแล้วชั้นชั mm hmm. ้นเลวทาไหมทาทาหลังสุดเลยนะ ค, คือทำทาเหมือนกันไหมทำเหมือนกันลนะทำด้วยกระบวนการเดียวกันแลนะใช้ต้นกล้าแบบเดียวกันนะเราก็ทำเหมือนกันแต่ ว, ว่าทำก่อนทําหลังทำมากทำน้อยไม่เท่ากัน นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราเห็นว่าออที่ผู้ชาติแสดงธรรมในพเลาะในเบื้องต้นทํากลางที่สุดเนี่ยเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนเนี่ยแต่มากน้อยไม่เท่ากันนะละเอียดลึกซึ้งไม่เท่ากันนะใช้เวลามากน้อยต่างกันนะเราดูในพระสูตรก็ได้แตนะ่ว่าผู้ชาติเนี่ยจะใช้เวลากับภิกษุภิกษุณีเนี่ยมากกว่านะคือใช้เวลากับภิกษุมากที่สุดนะลองมาก็พวกที่ไม่ใช่นักบวชนะจะเป็นข้าราชการเป็นมหาราชาอะไรต่างแล้วน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพวกปริภาชกที่มาถามคำถาม อย่างนี้เราจะเห็นว่าสัดส่วนการใช้เวลาของพระองค์เนี่ยแตกต่างกันไปมากแต่ธรรมะที่แสดงก็เหมือนกันนะไพเราะเบื้องต้นถ้ำกลางที่สุดเหมือนกันค่ะท<ต>่าน<ม>อาจารย์คะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะที่ว่าท่านให้กับทุกคนเท่ากันแต่รู้ว่าควรจะให้ใครก่อนและให้เท่าไหร่ถูกไหมคะใช่ใช่แล้วก็ในในเรื่องนี้ยกระบวนการการตอบปัญหาของพูะพุทเจ้านะแหม เฉียบขาดเฉียบคมมากอย่างมีพราหมณ์ที่เขาไม่ค่อยมีศรัทธานในพุทธเจ้าเท่าไหร่มาถามว่าเอาทำไมเอาทำไมบางคนไม่ไปนิพพานทางตัพุทธเจ้าก็อยู่หนทางก็อยู่พระองค์คนที่บอกสอนก็ยังอยู่ทําไมบางคนไปบางคนไม่ไปพุทธเจ้าก็ถามย้อนกลับว่าเหมือนกับคนบอกทางใช่ไหม น, นี่เราเคยทราบกันแล้วนะ <Okay. S 1> ว่าบอกทางอาบอกสมมุติท่านเนี่ยเป็นผู้รู้ทางไปเมืองราชคลึกมีคนมาถามทางนะท่านมาไปทางไหนท่านก็บอกใ ห, กอกให้อีกคนหนึ่งไปอีกคนนึงไม่ไปท่านจะบอกว่าไง แล้วก็แค่บอกว่าเราเป็นผู้บอกทางเท่านั้นแต่คําถามเนี่ยก็พระอินทร์เคยมาถามเหมือนกันนะพระอินทร์นะ <Okay. S 1> ท้าวสกัด <Okay. S 1> เทวราชนะที่เป็นผู้มีศรัทธาเป็นสซรบันด้วยนะที่พระเจ้าพยากรณ์พระอินทร์ก็มาถามคําถามนี้ว่าทำไมบุคคลถึงไม่ปรินิพพานนะคือคือไม่ได้ถามด้วยบทเพียรชนะเดียวกันนะแต่ว่า <Okay. S 1> ถามคําถามในลักษณะเดียวกันว่าทำไมคนถึงไม่ไปนิพพานแต <Okay. S 1> นะ่พระเจ้าบอกว่าก็เพราะตัณหาแลนะถ้าใครยังมีตัณหาร้อยรัดรัดรึงอยู่เนี่ยไปนิพพานไม่ได้ <น>ซึ่งซึ่งเป็นคําถามลักษณะเดียวกันแต่ตอบคนละแบบนะพวกที่ไม่มีศรัทธาตอบแบบนึงพวกที่มีศรัทธาเนี่ยตอบอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยใ่ะแต่ว่าออันนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหพระพุทธองค์ของเราอแสดงว่าทรงเป็นผู้ที่รอบรู้ทุกด้านด้วยนะคะเพราะว่าอย่างกับเรื่องทํานาเนี่ยท่านเป็นเจ้าชายเนี่ยก็น่าคิดว่าท่านไปรู้ละเอียดได้อย่างไรอืมค่ะก็อาจจะอันนี้มีประวัติศาสตร์ข้อมูลอยู่เจ้าเคยบอกว่าพระองค์เนี่ย ไปเสด็จไปงานแรกนาของพระบิดาก็คือว่าสมัยตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยในภูมิภาคแถวนั้นเนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่ด้วยการทำนาแล้วตัวพระองค์ก็เคยไปงานแรกนาขวัญเพรา ะ, ะนั้นก็คงคจะต้องเคยเห็นปรากฏการณ์การทำนาเขาทำงานกันยังไงก็อาจจะทราบบ้างแต่ประเด็นที่คุณยมติวพูดถึงเนี่ยคือที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของทะเลมากกว่าคื อ, อคพระเจ้าไปทราบถึงเรื่องกระบวนการชาวประมงก็เอาเครื่องหวายผูกเอาขึ้นในฤดูหนาวนะอะไรอย่างเนี้ย ซึ่งซึ่งแถวนั้นไม่มีทะเลแน่นอนนันแต่พระเจ้าของเราก็ทราบว่ากระบวนการที่ชาวประมงเขาเก็บไอ้พวกเครื่องมือเนี่ยเขาทำกันยังไงค่ะอันนี้นี่แสดงถึงความเป็นผู้รอบรู้เลยทีเดียวลักค่ะเราก็ได้รู้จักพระพุทธองค์เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ถวายเป็นพุทธตบูชาในโอกาสพุทธชยันตีเพราะว่าเมื่อได้รู้จักพระพุทธองค์อย่างที่ท่านไผบู์ ได้นำเอาพุทธวจนะต่างๆมาประกอบในการเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็ทำให้เราพลอยรู้ธรรมจากพระพุทธองค์ไปในคราวเดียวกันด้วยและการปฏิบัติตามธรรมนั้นก็คือการบูชายอย่างสูงสุดเพื่อนพิบูลค้าทีนี้คำถามในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องโลกโลกข่าวจากหนังสือพิมพ์นะคะแต่ดิฉันเองคิดว่าเข้าใจว่าน่าจะสามารถอธิบายด้วยพุทธวจนะ ได้เป็นการวิเคราะห์โลกด้วยธรรมกันละกันนะคะเป็นเรื่องพื้นๆฆ่ากันตายแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าคนฆ่าเนี่ยสุดท้ายตำรวจเข้ามาจับได้ว่าเป็นเมียหลวงฆ่าสามีซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่นะคะโดยแค้นใจที่สามีไปให้ความสำคัญกับพัญาน้อยมากกว่ามีกิ๊กว่ากันเถอะก็ <c oughs> คงนะคะอันนี้ก็เป็นความทุกข์พื้นๆของมนุษย์ทั่ ว, วไป ทีนี้ดิฉันเองเห็นว่าเป็นเรื่องปรากฏอยู่ทั่วไปนี่แหละคะ่ะจึงอยากจะให้คนเราได้รู้ว่าธรรมเนี่ยปรากฏในทุกที่ขอให้รู้กันละกันว่าธรรมะหน้าตาเป็นอย่างไรจะได้เอาไปใช้ประกอบได้ค่ะอื ม, อมก็พูดถึงทีละประเด็นก่อนนะอันดับแรกคือการฆ่าการฆ่าเนี่ยถ้ามีเจตนานนคือการกระทําบางทีมันทําลงไปแล้วโดยไม่ได้มีเจตายสมมติเราจับปืนเล่นแล้วปืนลั่นโป้งไปโดนสามีตาย อ่านี้คุณคุณได้ฆ่าเขาอยู่มีการกระทําเกิดขึ้นอยู่มีภาษาเกิดขึ้นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้มีเจตนานี้ก็ไม่ถือว่าคือกรรมที่เกิดจา ก, จากการกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่มีเพราะกรรมคือเจตนานะคือผลของเจตนาเน<ะ>ี่ยไม่มีนะนั่นคือในทางธรรมะทีนี้ว่าถ้าในกรณีนี้คือเจตนาด้วยเจตนาะนี่ก <pater> ็จะต้องได้รับผลของกรรมแน่นอนผลของกรรมที่ทําให้ภรยาผู้นี้ได้รับก็คือว่า ถ้าถ้ามันทำบ่อยนะก็ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย <Okay. S 1> นะถ้าพอยังมีบุญอยู่บ้างอาจจะรอดอยู่บ้างนะก็จะทำให้มีอายุสัน้นะแล้วข้อที่สองก็จะถูกตีเตียนอย่างนี้แหละนะจะมีคนที่มาคอยด่ า, าว่าเขารับหลังบ้างต่อหน้าบ้างนะจะไปที่ไหนก็จะมีแต่ความขั้นคะร่ำเป็นลักษณะของผู้ที่ไม่มีศีล <Okay. S 1> ทีนี้ในกรณีอย่างนี้ต้องเตือนว่าเราเราเห็นคนทาให่ดีาสามีของเราทาให้ดี นะเราอย่าอาศัยเหตุปัจจัยนี้ทําไม่ดีด้วย mm. นะคือกรรมของใครให้เขารับไปคือสมมุติสามีทําให้ดีใช่ไหมมีภรรยาน้อยอย่างเงี้ยอ่านี้น <Okay. S 1> เป็นิดสิงข้อ3มแน่นอนมันจะต้อ ง, ปองเป็นนรกําเนิดเดรัจฉานแน่แล้วถ้าเราไปเครียดเครียดแค้นนะไปด่าทอว่าทําร้ายถึงขั้นฆ่าเลยนี่เราเอากรรมพวกนั้นรับมารับมารับมารับมาเลยนะค่ะ <Okay. S 1> เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าอาศัยว่าคนอื่นเขาทาชั่วเราไปแบ่งกรรมความชั่วนั้นเข้ามาไม่ได้ คือหมายว่าเราเห็นคนอื่นทำชั่วเนี่ยคุณอย่าไปด่าเขาเพราะด่าเมื่อไหร่ปุ๊บคุณแบ่งกรรมชั่วเข้ามาทันที <c oughs> แต่ให้เราทำยังไงนะเราให้ตั้งมันในศีลเราให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึง่งเรามีปัญหาในชีวิตนี่โอ้ชีวิตครอบครเราสร้างมาอย่างดีทำไมมันจะเริ่มแตกหักแล้วตอนนี้นะให้คุณพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธเจ้าสอนว่าไงนะสอนว่าชีวิตคู่ฉันทำหน้าที่ของใจงให้ดีที่สุดทำยังไงอ๋อเราก็ดูแลการงานอย่างดีรักษาทรัพย์ที่มีอยู่นะขยันกันแข่งใน่นแนี่ น, นิงรยา นะคอยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีในทําไปทําไปเนี่ยเอมันมันอย่างน้อยยังมีความดีเรายังเป็นผู้ที่มีธรรมะอยู่ใน ใ, นใจค่ะ่ะอาเรายังสร้างบุญที่เกิดจากเหตุการณ์นี้ได้นะอย่าไปคิดว่าเหตุการณ์นี้ชีวิตฉันจะพังแล้วไม่จริงเลยเรายังมีโอกาสสร้างบุญนะประเด็นที่ต้องเตือนมากๆเลยคืออย่าไปแบ่งกรรมชั่วนั้นมาอย่าให้เหตุของที่คนอื่นทําชั่วมาเป็นเหตุให้เราทําชั่วด้วยไม่ควรคะไม่ควรอย่างยิ่งอืม แล้วอย่างในกรณีเนี้วิธีที่ป้องกันดีที่สุดนะป้องกันดีที่สุดก็คือว่าเออเราก็ให้มีความอดทนซะมีความอดทนซะความอดทนเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันอย่างดีเลยเป็นเครื่องป้องกันคนพาลอย่างดีที่สุดเลยนะความอดทนนะ่ะไม่รู้ว่าคุณยมติวเ ข, ข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ะเข้าใจอยู่นะค่ะ <c oughs> เพราะว่าศราาัทธาในพุทธวจนะบทที่พระพุทธองค์บอกว่าอยู่คนรักษาผู้อื่นใช่ไหมคะใช่ให้ มีความอดทนไม่เบียดเบียนเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูดิฉันชอบมากเลยพุณทวัตจนาบทนี้แล้วแล้วถ้ามันเป็นคนที่แบบว่าชั่วมากมเลยจริงแบบชนิดที่เรียกว่าอืหเห็นแล้วก็ขนลุกแล้วก็แบบว่าไม่อยากจะมองเนี่ยนะให้เรามีอุเบกขาอย่างน้อยเรามีอุเบกขาแล้วเรามีอุเบกขาเราจะไม่เบียดเบียนตัวแม้ตัวเราเองสมมุติเราไม่ด่าเขาก็ตามแต่ถ้าเราคิดโกรธเกลียดแค่งอันนี้คุณเบียดเบียนตัวเองถ้าคุณด่าเขาด้วยคุณเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเลยคุณฆ่าเขานี่โอ้โหคุณเบียดเบียนทั้งสฝ่ายอย่างหนัก เขาก็ตายเราก็ได้กรรมหนักขึ้นอีกอันนี้ถือว่าเป็นการเบลี่ยนเปียนไม่ถูกต้องไม่ควรทําทีนี้เธาบอกว่าจากข่าวอันเนี้ยนะคะก็จับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีทั้งเรื่องของการผิดศีลซึ่งเราไม่ควรทํากันอยู่แล้วใช่ใช่ไหมครับเพราะทำแล้วเดือดร้อนแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นทุกข์ที่บางคนเขาบอกว่าการตัดสินใจแต่งงานกับใครมันเป็นเรื่องเหมือนกับมอบเอาชีวิตทั้งชีวิตนะี่ย ไปให้คนที่เรามั่นใจไว้วางใจดูแลพิทักษ์ปกป้องอะไรก็แล้วแต่มันเท่ากับว่าเหมือนกับถูกทรยศก็เลยจาเป็นจะต้องปล่อยแค้นคือเหมือนกบว่าบางทีปล่อยปล่อยไอ้ความเครียดแค้นเนี่ยนะคะแต่ต้องรู้ธรรมะพระพุทธองค์บทเนี่ยที่ท่านไปบูรพูดค่ะวิธีจะปล่อยความเครียดแค้นทำยังไงคุณยมติวก็มอนเหลือนิดเดียวนะคะจะปล่อยเราเรามาพูดต่อวันพรุ่งนี้ก็ได้ แล้วว่าถ้าสมมติเรามีความเครียดแค้นอัดแน่นอยู่ในจิตเราเนี่ยเราจะปลดปล่อยอยังไงจะปล่อยด้วยวาจาที่เป็นห อ, อกคือปากหรือว่าเราจะปล่อยอยังไงเรามาตามต่อพวงนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าหาว่าดิฉันตัดตอนเลยนะคะแต่เป็นเรื่องที่ว่าไม่อยากให้ครึ่งๆกลางๆมันไม่ดีทั้งสองฝ่าย <c oughs> นะคะคนพูดก็อาจจะแบบต่อนเนื่องไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนคนฟังก็อาจจะแบบว่าแหมมันมันขาดตอนอะ่ะนะคะเครียดไปทั้งวันเลยว่า ที่เหลืออยู่คืออะไรวันนี้กลาวในมส ก, การขอบคุณพระจันทร์เพริบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นบาลค่ะท่านพงคะ่ะโลกกับธรรมเนะเป็นของคู่กันสิ่งที่ปรากฏอยูุ่บนโลกใบนี้เนี่ยนะคะเราสามารถจะเอาผู้ทวจนณะนี้เข้าไปจับได้ที่ฉันเชืว่าเป็นทุกเรื่องแล้วก็เมื่อไปวิเคราะห์เสร็จแล้วได้ง่ายได้มุมอย่างวันนี้เนี่ยง่ายมุมดีมากเลยนะคะ ปฏิกิริยาทางจิตของเราถ้าจะเกิดกับอะไรแล้วอย่าให้เป็นไปในทางที่ทําให้เราตกต่ำไปกว่าเดิมอย่าให้ใครเขาสามารถเอาความไม่ดีของเขามาดึงเราไปสู่ที่ไม่ดีร่วมกับเขาด้วยนะคะอันนี้ต้องจดจากันเอาไว้ท้องให้ดีและใช้คุณธรรมความอดทนเนี่ยในการที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์คนอื่นนะคะวันนี้เราก็ต้องบอกว่า คำถามต่าง ๆ, ๆท่านยังส่งเข้ามาได้อีกที่ t h e ยต t h a ม a .com/106 หรือว่าโทรมาที่022690006เบอร์โทรศัพท mm ์นี้เป็นเบอร์ เ, เดียวกับที่เราแจกหนังสือุู้ทชนะให้ศึกษาคำของภะาษาสดาอยู่นะคะโอกาสในการศึกษาคำของภาษาสระเนี่ยจริงๆใช้ได้ทุกโอกาสแต่ยิ่งตอนนี้เป็นวันที่เราเชิญชวนทุกคนมาระลึกถึงการที่เรามีพระพุทธเจ้าอยู่นานมาถึงปีที่2600 ในปีนี้นะคะก็ออยิ่งน่าจะเป็นสิ่งที่เราให้ความสาคัญกันมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปตะเพียนเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งนี้พุทสวสตีค่ะ